อ่าต่างดำต่ออืก อ, อยากจะขี่จะนําเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากําลังทําอยู่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เราได้ทําเป็นสิ่งที่เราได้ยิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราต้องเหมือนกันหมดเป็นนันเดียวกันหมดไม่แปลกอะไรเราก็ <c oughs> ไม่คิดว่าตัวเราคนเดียวปฏิบัติธรรมก็าวพัฒนอยู่แล้วปีการมีจิตใจมีสติ มนมษย์รลากายใจเป็นตำรลาสติปัญญาเป็นนักศึกษาไปดูเข้าไปดูไปเห็นดังที่เราสาธยายพระสุดเมื่อใดทามมีเพียรเพ่งอยู่มีสติปัญญ า, ญญาเห็น อะไรที่เกิดขึ้ น, นก็ย่อมเฉลยได้ถ้ามีสติสติจะบอกว่ารู้แล้วนี่คือกายรู้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายรู้แล้วพ้องกับกับปัญญาถ้าเขารู้แล้วก็จบไปแล้วจะเป็น ถ้าว่าเห็นถ้าว่าเห็นไม่ต่างกันกับเป็นถ้าว่าเป็นเนี่ยคือไม่ได้เห็นถ้าเห็นก็หลุดพ้นถ้าเป็นไม่หลุดเป็นสุขก็เป็นสุขติดอยู่ที่นั่นเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ติดไม่หลุดถ้าเห็นสุขเห็นทุกข์มันจะหลุดเหมือนทิ่งกอดขวด ใส่ฝาผนังก็สัมผัสมันก็ตกลงไม่เหมือนทิ้งดินเหนียวใส่ฝาผนังก็สัมผัสมันก็ติดตสุกเป็นสุกหมายถึงดินเหนียวทุกเป็นทุกหมายถึงดินเหนียวมันติดถ้าเห็นมันเป็นก้อนขวดไม่ติด สัมผัสเหมือนกันแต่มันลักษณะมันต่างกันการเห็นกับการเป็นนี่มันต่างกันแบบนี้จึงมาดูมาลื้นตาภายในตาเนื้อเนี่ยา <c oughs> จะไม่ต้องใช่แต่ว่าอย่าเป็นหลับต้องลื้นไว้ก็ดีรต่ว่าจะได้เห็นอะไรที่มา เกิดรึ้นขะที่เราทำความเพียนอยู่เราอยู่ในป่านั่งในป่าเดินในป่าบางทีมีงู่วยมาจะได้เห็นงูถ้าหลับมันก็จะไม่เห็นอาจจะเป็นอันตรายงูเ <c oughs> ข้าถึงตัวอาศัยตาเห็น <c oughs> ถ้าเห็นแล้วก็หลุดพ้นเห็นงูไม่ให้งูกัดตาตาเน้อก็ยังช่วยได้อยู่ตาตาในนี่เห็นเห็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นเห็นงูไม่ถูกงูกัดเห็นโกรธเห็นโลภเห็นหลงเห็นอะไรต่างๆแล้วก็หลุดมันไม่ ม่รสชาตินั้นเห็นเฉยๆทางที่หลงตาพูดเมื่อวานว่าโจรเป็นโจรเป็นยำเลยถ้าสุขเป็นสุขก็เราก็โจรทให้เราเป็นสุขถ้าเราเป็นสุขก็เราตกเป็นยาเลยตัวเองอยู่ถ้าสุขเห็นมันสุขพี่ภาคสาแล้วสติปัญญาหลุดไปแล้ว ไม่เป็นไม่ตกเป็นยำเลยไม่ตกเป็นอะไรเป็นอิสละถ้าสุขเป็นสุขไม่อิสระสุเห็นวันสุเป็นอิสระไม่เปรอเพื่อนเห็นเป็นธมจันทร์เป็นพระได้ถ้าเป็นเป็นพระไม่ได้ธรรมจันทร์หมายถึงความบริสุทธิ์ไม่เปรอเพื่อนเหมือนทิชชู่เหนียวใส่ฝาไม่เปรอเพื่อน เออทิ้งก้อนขวดใส่ฝาไม่เปิดเพื่อนถ้าทิ้งดินเหนียวใส่มันเปิดเพื่อนลักษณะการเห็นเนี่ยมันไม่เปิดเพื่อนนะมันจึงมี์ผูพกิจอุ้พกณ์เบื้องตอน้นใช้ได้ทันทีไม่ต้องไปทดลองชีวิตไม่ใช่ทดลอง ไปทดลองกับความหลงไปทดลองความโกรธไปทดลองกับความโลภ ค, ค, ความทุกข์ทดลองเข้ า, ามันก็เสียไปแล้วถ้าสุขเป็นถ้าทุกข์เป็นทุกข์มันเสียไปแล้วถ้าสุขเป็นสุขมันเสียไปแล้วเอาคืนไม่ได้แล้วถ้าหลงเป็นหลงก็เสียไปแล้วให้เห็นเนี่ยมันไม่เสียไม่ใช่ทดลองจึงต้อง จึงจะต้องเป็น พ, พมจึงต้อ ง, องจึงเป็นภมจรรย์ได้ชีวิต ท, ทดลองไม่ได้นั้นทดลองตัดขาขาก็ขาดตัดแขนแขนก็ขาดต้องรักษาต้องระวังป้องกัน มีสติเข้าไปเห็นกายมันก็มีอยู่กายเสิ่งที่มันเกิดกับกายก็มีอยู่จึงเกิดแต่เหตุบต่เหตุย่อมผ่านไปมันมีเห็นกายเอากายมาเป็นตัวเป็นตนไม่ผูกกับพบกับตัวกับตนในกาย ไม่ติดภพสุขเป็นภพหนึ่งทุกข์เป็นภพหนึ่งต่อร้อนเป็นร้อนเป็นภพถ้าหนาวเป็นหนาวเป็นภพถ้าหิวเป็นหิวเป็นภพถ้าปวดอะไรต่างๆมันเป็นภพอย่าผูกกับภพไม่เห็นชช่นภพไม่เป็นนั้นมันสำเร็จได้ พ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเดิมเปลี่ยนเป็นภาวะใหม่ที่ไม่เป็นบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาวิธีปฏิบัติเนี่ยมันส้องผสได้ให้ผลได้ตามท้งองควรก่ผู้ปฏิบัติ ทำสนุกสนุกไปเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใส่าเอาความคิดไปเกี่ยวข้องมากเกินไปเอาเหตุเอาผลถ้าใครปฏิบัติทำด้วยความคิดความอยากจะมีปัญหาไม่ค่อยจะสะดวกเป็นทุกข์าปฏิปทาไม่สะดวกลำบาก ทังกายก็ลำบากทั้งใจก็ลำบากให้ใจเป็นผู้สั่งงานสั่งการให้เกียรติก็หยุดขยันก็ทำ แ, แต่อารมณ์อาการอะไรที่มันเกิดขึ้นทำเฉยๆทำซื่อๆทำซื่อๆให้มีสติซื่อๆเข้าไปเห็นกาย เราเห็นเหมือนกันอย่าไปเอาว่าผิดว่าถูกถ้าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเป็นเรื่องของใจถ้าเห็นแล้วเห็นนี่เป็นธรรมดาเป็นรวมทั้งหมดเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาฉุกเป็นฉุกทุกเป็นทุกเป็นเรื่องของใจถ้าเห็นเฉยเไม่เป็นเรื่องของอะไรบริสุดแล้ว มีสติเห็นมันเนี่ยมันสะดวกที่จุดลอยมันรูกก็เห็นมันอยู่เนี่ยมันหลงก็เห็นมันอยู่เลยมันสุขก็เห็นมันเนี่ยมันทุกข์ก็เห็นมันมันรอนก็เห็นมันมันปวดก็เห็นมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับการมีแต่ภวะที่เห็นไม่มีรสชาต ภาวะสกภาวะทุกข์อะไรไม่มีรสชาติมิด้เห็นเนี่ยสติเป็นอย่างนี้มักจะมักจะไม่ติดท์ติดภูมิอะไรแต่เป็นกลางก็เป็นกลางเป็นทางก็เป็นทางไปไม่ใช่ท้ายไม่ใช่ขวานชิด ไม่ใช่คิดซ้ายไม่ใช่คิดขวาเมื่อไม่คิดซ้ายไม่คิดขวาก็ผ่านไปได้ง่ายเหมนท่อนทรงที่ไหลาตามแม่น้าพระอรหันต์บางโลกสำเร็จเป็นอรหันต์ได้ก็เพราะเห็นท่อนตรงไหลาตามแม่น้านั่งอยู่ฝั่งแม่น้า ตอนช่งท่อนไหนตอนช่วงท่อนใดที่ไหลติดฝั่งซ้ายก็ย่อมถูกอ่ะมนุษย์ลากขึ้นไปชำระเป็นอันอื่นตอนช่งท่อนใดติดฝั่งขวาก็ถูกอมนุษย์ลากขึ้นไปไปไมถึงไหน่อ น, อนช่องท่อนใดไหลอ ย, อยู่กตางกลางน้ำนก็ย่อมผ่านไปนถึง เมอน้มถึงทะเลมหาสมุทรได้ฉันใดชีวิตของเราติดสุขฝังขัง้วติดทุกข์ฝังซ้ายไม่เป็นมรคมรคต้องผ่านเป็นทางอันมรคไม่ใช่เปลียนมันเห็นเนี่ยเป็นมรคที่สุดแล้วเป็นเนี่ยไม่ใช่มรคแล้เป็นสุขไม่ใช่มรคแล้มรคคือทาง ไม่ใช่เดินด้วยรูปด้วยกายเป็นการเดินทางจิตใจบำเพ็ญทางจิตพระละหันทั้งหลายเป็นพระหันได้เพราะบำเพ็ญทางจิตมีสติดูจิตนี้จิตดูจิตแต่ดูกายมันเห็นจิตเรามาคิดมันเห็นธรรมกุศลอกุศล มันเกิจดจากจิตอันกายไม่มีอะไรดอกกายแแต่เป็นมหาพุทธรูปเป็นรูปอวสัยเหมืนมอนจะพ่วงแพรแต่จิตเหมือนนายขี่บนแพรนั้นจะให้ไปทางไหนมันก็ไปอันรูปนี่ไม่มีรู ป, ปจะเขนขอเขาก็เขียนโอตายจะอมิดก็ แทงก็แทงตัวเองจะปืนมายิงก็ยิงตัวเองจะโดดน้ําก็กระโดดนายมันสั่งรูปมันเป็นมหาพุทธรูปแล้วจะใช้สั่งไม่ใช่เอาไปแบกไว้เอาไปใช้ให้สําเร็จใช้ให้มันเห็นเนี่ยเอามากําหนดให้มันรูปสร้างให้มันเกิดภาวะรูปขึ้นมามันก็ใช้ได้ ถ้ามัน ม, มีรูปมันไม่มีโอกาสที่จะเป็นมรรคผลนิพพานได้ไดเราจึงหัดใช้มั น, มนหัดดูแลมั น, มนหัดรักษามันมนด้สุขเป็นสุขไม่ใช่รักษาทำลายมันแล้วกิตหายแล้วเหมือน พ, วพ่วงแผ่ แค่ไม่เป็นมีอะไรก็ไปทำให้ซุดโสมอยู่เรื่อยชนไม้ชนโหดหินชนอะไรต่างๆากระทบกระเทือนมันก็ซ่อมมันก็ใช้รถต่ชนนอนชนนี่ก็ซ่อมแค่ไม่ได้นาน ใช้กายใช้ใจก็เหมือนกันนะให้มันอยู่ในทาง <c oughs> ให้เห็นนี่เป็นทางไม่กระทบก็เทือนอะไรกลาเป็นเรากระทบสุขก็กระทบ ท, ะท้อเท่ากันสุขก็เท่ากันทุกก็เท่ากันเป็นฉังขานไม่ไม่เที่ยงหัวล้อก็เหนื่อยเหมือนกันล่องให้ก็เหนื่อยเหมือนกัน ตีใจเสียใจเท่าๆกันผู้ผู้แพร่แพร่อันหนึ่งเป็นบวกข้างอันหนึ่งลบออกไปการากระทบกระเทือนทั้งขิตใจก็เท่าๆกันไม่มีใครหัวเราได้ทั้งวันก็เหนื่อยไม่มีใครร้องห้ทั้งวันก็เหนื่อยเหมือนกันอันที่ไม่เป็นไรคืออยู่ตรงกลางนี่เห็นเนี่ยเริ่มหัดไปเนี่ย เห็นกายอะรที่มันเกิดกับกายจะเป็นเห็นมันหิวไม่ใช่เป็นผู้หิวแต่ไม่เป็นผู้เหนื่อยเห็นอยู่มังกรมันเก็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บเห็นมันเจ็บหัดแยกไปนี่เข้าทางไปแบบนั้นถ้ามันชํานาญตั้งแต่นี้ไปมันจะเป็นกรีด เกรดดีเกรดเอผ่านได้ง่ายมางคนเรียนหนังสือเร่งกาจะผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้สะดวกเอาเกรดไปอ้างเอาไม่ต้องสอบเตินเข้าไปได้เลยมนุษย์เกรดเอคือเห็นอย่างนี้ ถ้ามันเกรดดีก็ผ่านถึงมักถึงขนได้ง่ายเห็นมันเกิดไม่เป็นผู้เกิดเห็นมันแก่ไม่เป็นผู้แก่เห็นมันเจ็บไม่เป็นเจ็บเห็นมันตายก็ไม่เป็นผู้ตายไปได้ง่ายเดิมต้นที่เดียวกันต้ามกลางที่เดียวกันที่สุดกนเดียวกันเติมต้นก็คือสติต่ามกลางคือสติที่สุดคือสติมันจานานต่างกัน ถ่าเป็นศินก็เป็นศิ้น่้เป็นศินก็เป็นอริยกันต์สินเป็นสินขันเป็นสมาธิขันเป็นปัญญาที่ขันมันทีเข้าไปเหมือนเหมือ น, น, นทอผ้าที่มันขันมันเนื้อดีแต่เนื้อไม่ดีเขาเรียกว่าไม่ขัน หงอน้ําไม่ได้แต่เนื้อดีหงอน้ํา ไ, ได้ศีลก็เหมือนกันทีลแรกก็ศีลทะลุไม่ค่อยดีว่มันเห็นที่ใดไม่ไม่เป็นไปกับมันมครับเรามีศีลแล้วนะละความชั่วแล้วทําความดีแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วมาไรที่เกิดกับกายม่จะเห็นเข้าไปดูเช อย่าเอาเหตุแล้วผลเวลามันหลงไม่ชอบเวลามาลูกเออดีไม่ใช่เวลามันสงบเออดีเวลามันเพ่งชาติไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นเคยถามนักปฏิบัติเห็นหน้างอหนางอน้่งทำจังหวาอยู่เป็นไงหนูคุดรมาไม่ไม่ไหววันเนี้ยแก โทก็ไม่เพราะนะน้าปวดปวดแต่ถ้าจะเป็นทุกข์ทำไมเล่ามันเครียดคิดมากคุ้งซ่อนง่วงก็ง่วงไม่เหมือนเมื่อวานนี่เมื่อวานเรายังดีวันนี้ไม่ดีก็รู้ว่านักปฏิบัตินักกรรมฐานก็ไม่พูดอย่างนั้นหรอก ไม่เอาตอบแบบนี้ไม่ไม่ใช่นักกรรมฐานตอบใหม่อบอกว่าอยู่จอบไงว่าเป็นอย่างนี้มันต่างกันกับเมื่อวานวันนี้มันเลยเครียดเนี่ย้องตาไม่ได้บอกจากนั้นน้องตาบอกให้ดูให้เห็นมันน้องตาสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่นี่ก็สอนให้เห็นให้ดูมัน เห็นอย่าไปเป็นไปกับมันเห็นมันเครียดไม่เป็นผู้เครียดเห็นมันง่วงไม่เป็นผู้ง่วงหลงตาบอกจางนี้ทำไมไปเป็นมันดื้อเหรอทะทำไมดื้อทำไมไม่เชื่อฟังมีคนบอกแล้วตัวเองไม่ทำต่างหากไม่ใช่ว่าไปโทษตัวลราไปโทษอะไรต่างๆ มันอยู่ที่เราเนี่ย้หเห็น น, นั่นเราก็เข้าใจขนาดนั้นละเตืองหน้าตางองงองปวดปวดก็ไม่ลอยยิ้มขึ้นมาเออหนูไม่เข้าใจเพิ่งมาเข้าใจเดี๋ยวนี้เองนี่ก็มีเหมือนกันมันมีเหตุมันจึงมีผลถ้าดูดีๆนะมาพร้อมกัน ตัวหลงหมาพาร้อมกันกับความไม่หลงตัวดีๆตรงนี้อย่าให้หลงเอาไปฟรีเอาขึ้นมาให้มันเป็นภาวะที่รู้เหมือนของเสียไปแล้วหาคืนมาให้ได้ที่ว่ารักษาถ้าหลงเป็นหลงชื่อว่าไม่รักษากายไม่รักษาชีวิตใช้ชีวิตปอนไปซ้อมสอน ไม่ใช่ชีวิตอันนั้นชีวิตต้องเป็นเป็นอะไรมันตั้งต้นจากภาวะที่เห็นเนี่ยมันเลยไม่เป็นอะไรไปเนี่ยชีวิตอันนันมันจะอยู่น้อยเกิดเจ็เจ็บตายได้เราเวลาปฏิบัติเนี่ยที่สุดชีวิตคือไม่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายก็ตั้งต้นไปจากตรงนี้เข้นทางให้ถูกอย่างนีอะไรที่เกิดกับการกับใจเนี่ย มีอันเดียวเท่านี้เวลามันโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธอย่างนี้อันเดียวเฉลยไปได้เลยผมใหใช่มากๆใช้ชำนานให้มันชำนาน ใ, ให้มันเป็นทำให้มันเป็นเวลามันหลงถ้าหลางอะไรทำไม่เป็นยังเป็นอนุบาลอยู่ยังเป็นผู้ใหม่อยู่ไม่ใช่ ผู้เก่ามะเช่แก่กล้าเหมือนไม้ยอดอ่อนเถ้ายอดอ่อนเด็ดยอดอยู่เรื่อยมันก็ไม่มีโอกาสแก่แต่มนงอกขึ้นมาก็เจ็ดเหมือนต้นไม้อาภัพต้นผักสะเดาผักหวานผักเม็อยู่แถวทางขอบสะ ทางไปอาสะนะสาราหอฉันที่ฉันก็นเดินผ่านไปก็เห็นยอดติ้วยอดไปก็เด็ดเอาเด็ดออกก็เลยไม่สูงสักทีเอาเพื่ออนนั่นโดยตรงแล้วถักขีเหล็กเอ า, าสูงก็าตัดลงมามันจะมียอดอ น, นั่นก็เป็นถึงธรรหะหิตของเราต้องมีอินทรีแ ก, ะกะ่ก็เึิงจะเกิดมาเกิดผล นั่นมันอยู่ได้นานๆลองหลงถ้าหลงเป็นหลงไม่มีโอกาสแก่ฆ่าุกเป็นฉกทุกเป็นทุกไม่มีโอกาสแก้ฆ่ายังอ่อนอยู่เป็นนว ก, กะต้ให ม, ม่อยู่ไม่เป็นอวุโสไม่แก่ฆ่า ถ้ามาเจอ้ า, าจึงเอิดตอกออกขนเหมือนมะม่วงถ้าต้นไหนหลูออกดอกมันออกยอดแสดงว่าใช่ไม่ได้แล้วไม่เกิดลูกแล้วยอดจะแเจอยู่นานปีหนึง่งจึงเกิดตกออกขนได้กรรมฐานเชียกัน <c oughs> ให้มีสติเนี่ยที่แรกก็รักษาทำให้เป็น เวลามันหลงรู้นั่นทำเป็นไหมเวลามันโกรธรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยฉลยไปเลยรู้สึกตัวเนี่ยให้มันแก่กล้าตรงนี้นทําให้เป็นเอาไปมาก็ไม่ได้หัดออกมันเป็นไปเองไในไหมก็ต้องหัดละ สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกไม่ได้หัดตัวเองเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์หัดแล้วพวกหัดแล้วไอ้ความสุขเป็นภาวะที่เกิดเป็นภาวะที่รู้ที่เห็นไอ้ความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดภาวะที่รู้ที่เห็นไอ้ปัญหาเกิดภาวะที่รู้ที่เห็นเป็นปัญญาไปปัญหานะมันก็เป็นปัญญาเลยตัวเองมันมีเกิดเป็นเหตุดับก็ดับที่เหตุเนี่ย ดุกสิ่งงเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุเนี่ยเอาราธิวตฟังทรรมเท่านี้ของปัชชิได้เป็นพระอรีบุคคลชั้นต้นดวงตาเห็นธรรมเลย <c oughs> ได้ข้อมูลได้หลอกฐานเป็นคู่มึงพับกิใส่กระเป๋าไปเลยไปไหนก็เอาเรื่องนี้ไปจนเป็นเสนาบดีของพระเจ้า ศึกษาเรื่องนี้เท่านั้นเห็นเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยนะแล้วก็ทำได้ทุกชีวิตจิ่งที่เรารที่เราต้องเห็นก็ไม่ได้ไปหาซ่อคนดูที่ไหนมันเกิดขึ้นมาเป็นชุมทางสติปัญญานฉี่เป็นชุมทางทำให้เกิดอะไรต่างๆ เมือตลาดนัดสินค้าไปที่เดียวเลือกได้สะดวกซื้อสะดวกหาเวลาเรามีสติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยทั้งหมดแล้วถ้าหลุดตรงนี้ก็ไปได้แล้วผ่านที่นั้นก็ผ่านง่ายถูกที่ชุดแล้วมันเดินทางไปต่างประเทศมีคู่มือมีหนังสือเดินทางไปได้ตลอด ไม่ถูกกักถูกขังเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นชุมทางเป็นทางผ่านของหลงของลูกก็ม่หลงตรงนี้ก็ไปได้แล้วก็ไปมีอะไรที่มันแสดงออกแตกฉานเวล้วะน ต้นต้นจากตรงนี้แตกแขนไปเลยเห็นรูปเห็นนามทำแตกแขนไปเลยบัดนี้รูปมันทำนามมันทำเห็รูปทุกนามทุกเอาสนุกต่บัสนุกลือถดคงสร้างลกทุกนามทุกโรคโรคนามโรคโอ้พอเห็นรูปโรคนามโรคเ อื่นในวัไม่หลับอะไรนีดหน่อยที่เป็นทุกข์ที่เป็นโลกหนึ่งใสใจใสใจมากการเปี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์หนึ่งมันเป็นงานดันผอมนุษที่จริงนั้นไม่ใช่นั่นหน้าบูจอยทั้งวนนอนไม่หลับกบคน ค, ค, คิดไม่ใช่อารมณ์ค้างไม่ใช่ไม่มีเลยบัด น, นี่ยเห็นรูปทุกข์นามทุกข์เห็นรูปโลกนามโลก ่ลูกสมมุตินาอสมมุตินี่แก่ข้าระบาดอ่านี้แต่สมมติบรหจัตไม่ใช่ปรมตจสัจัวามหลงเป็นสมมติบัญจัตคก็ไม่หลงเป็นปรมาจิตจักรวมทุกข์เป็นสมมุติบัญจัตก็ไม่ทุกข์เป็นปรมาจิตจักวงโกรธเป็นสมมติบัญจัตก็ไม่โกรธเป็นปรมาจิัจักมันจริงกูอ่านไปเลยตาจะเรียกว่าเข้มแข็งมากตอนนี้แล้ว เป็นเพชรนะตัดกระจกได้ไม่มีอะไรที่ตัดกระจกได้นอกจากเข็มเพชรมันเข้มแข็งถ้าถ้าเห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็ น, น, หนปรมาจารย์เราเข้าสู่อวเรียบบุคคลได้ตัดังโยน์ได้เพราะมีสติปัญญามันไม่ต้องหัดเลยมันใช้ได้นะมันไม่ได้ไปหัดแล้ว เหมือนเราทำอะไรเรานั่งอยู่เนี่ยไม่เราไม่รู้ว่าเราชานาญศิลปะในเรื่องใดเราถ้าเราใช่เป็นอะนะเราเขาหัดมาแล้วอย่างอาจารย์ภาษาเนี่ยพิมพ์ดีดเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยตาท่านไม่ดูเลยอ่านหนังสือเลยอนะมือไปเออเป็นไปแล้วมันเป็นนะไม่ใช่ไปหัดนะอย่างลูกตาเนี่ยไว่ต้องรูปคำนะ แม้แต่ลวงพ่อใหญ่ลวงพ่อคให้โทรศัพท์ก็ต้องดูเลขหนึ่งมาอยู่ตรงไหนเลขถ้าหัดใช่แล้วมันก็อยู่ที่เก่านะเลขหนึ่งอ่ะอ้ใช่มือมันไปเองไะนิ้วมือมันไปเองไงหนึ่งมันก็อยู่ตรงนศูนย์อยู่ตรงนี้มันก็ไปเองไงแต่หัดมันก็ต้องหัดอย่างรูปคำงาอ่าไว้ใส่ใจมันหลงทีไรก็หลงอยู่ไม่หัดจักตีทําไม่เป็นเลยมันโกรธก็ยังโกรธอยู่ไม่หัด ตำไม่เป็นเลยนันทุก็ทุกอยู่แล้วนี่นนเห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นประมมัดวัตถุอาคารต่างๆเข้าสูส่ศีลเข้าสู่สมาธิเขา้าถูกปัญญาศีลก็ช่วยะะเราบ้าหงแต่กอนรักษาศีลต่อไปนี่ศีลจะรักษาเราแล้วสมาธิช่วยปัญญาช่วยะะเราบ้าหนึ่ง สะดวกนะตอน น, นเหมือนกับหัดอะไรที่มันเป็นแล้วมันสะดวกใช่หัดมาก็สะดวกขี่จับสายบางเหยียนขึ้นหลังหัดวัวหัดควายก็ใช้งานได้ถ้า ต, ตัวไหนที่หัดก็เหนื่อยหน่อยแต่หัดเป็นมันก็เป็นไม่ลืมนะหัดวัวเทียมเกียนนาควายเทียมไทย ถายปีละเดือนสองเดือนปล่อยเท่งไปเวลาปีใหม่จับมาถยกมันเป็นเด็กมันไม่ลืมอ่ะมันไม่ลืมเขตาปรยู่มงเลยเขาถยนานเขาไม่เขามเขาไม่ทำอะไรเไม่ชเชือกตกเขาไม่บอก่าัเาเ ไทยเขาไปทางซ้ายเขบอกว่าขวาขวามันก็ไปขวาไปขวากันไปก็บอกว่าซ้ายซ้ายเขาก็บอกว่าถ้ามันไปตรงเออตรงไปตรงไปตรงไปหยุดมันก็หยุดไปมันก็ไปเวเทียนเกียนนี่เขาไปเกียนเออไม่ขึ้นเกียนนี่ยต้อไม่ได้ปวดขวาเขียนเกียนนะโอ้ต้องให้มันถอยนะถอยหลังให้มันดันนะ เวลามันถอยหลังถอยถอยมันก <ooo paying full vision> e right? ็ยกคอขอกันก็ถอยหลังไปแอกติดคอมันยกคอขึ้นลงสูงยกหัวขึ้นลงสูงบอกให้มันเลยน้ามันก้มลงกันดันไปนยืดมันก็ยืดเอาไม้ลงก็เหมือนกันเคยเคยให้ชาวบ้านลากไม้มาเลื่อยในวัดพุทธยานสร้างวัดพุทธยาน ต้นใหญ่เขาขึ้นคนเดียวเอาลงคนเดียวเลยอัวเขียมเขียนเขาวันเก่งมันเก่งมันเป็นอย่างไปพม่าน่ะก่อนหนึ่งขี่เขียนเป็นสิบเล่มนะเจ้าของคนเดียวแล้วยังเอาเขียนทุกอ้อยเข้าลงงานไม่มีรถเหมือนบ้านเรานาะเขาก็นั่งอยู่เขียนเล่มเดียวให้เขียนคันออกก่อนหลายคันออกก่อนบางทีเขาก็านั่งข้างหน้า แล้วก็เดินขึ้นเพียงแต่ยกไม่สายแต่พดขึ้นมาขี้ไปทั้งนั่นขี้ไปทั้งนี้ไปของมันเองนะไปจอดโรงงานมันไม่ปวดแอกกดกลัวถังแต่เพียนเลยมันเอายอดอ้อยไปวางไว้ที่ที่มันยืนอยู่หรมันไม่ปวดจนกว่าโรงงานเขาจอสั่งให้เข้าไปมันเข้าไปเอาโอ้อยลงก็ไม่ได้ปวดเลย คือมันเป็นแล้วชีวิตเราเมื่อมเป็นแล้วมันไม่มีปัญหาเลยหรอกมันทัดได้เยิงเย่งไปเสด็จเยง่งเย่งนาชีวิตมนุษย์เนี่ยอาจจะมาหัดกันเถอะไม่ใช่สอนให้ลูกการหัดเป็นต้องช่วยตัวเองการสอนให้ลูกคนอื่นสอนให้ได้การสอนนี้เป็นเราต้องหัดออกเริ่มไปจากให้แทมันลูกกายไปไหนไม่เห็นปัญหาก็อยู่ที่กายนี่แหละ อลูกใจปัญหาอยู่ที่ใจเนี่ยอันเกินคลื่อนไหวของกายคือเนี่ยเราหัดอยู่เนี่ยอิบทต่างๆตามสติปัฏฐานสี่กายานวัตนาสติปัฏฐานมิสติดูากา ย, าาปากายเป็นประ จ, จํามันจะเห็นเวตาสุขทุกข์เกิดจับกายก็เห็นอกีกมันจะเห็นจิตที่มันคิดนะั่นแหะการคิดการเคลื่อนไหวของจิต เหมือนเสียงค้องถ้าไปตีมันก็ดังจิตมันได้สัญญาณอะไรก็คิดไปมางทีมันติดมาติดมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วเคยมีลูกก็คิดแบบคนไม่ลูกคนมีพ่อมีแม่คิดแบบคนไม่พ่อไม่แม่คนไม่ผัวมีเมียก็คิดแบบคนไม่ผัวมีเมียก็ไม่วัวไม่ควายก็คิดแบบคนไม่วัวไม่ควาย คนมีรัพเสียงเงินทองก็คิดแบบคนมีทรัพเสียงเงินทองคนจนก็คิดแบบคนจนพระเจ้าจึงบอกว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันดีที่สุดเรามันก็ปิดบังก็ติดมาคิดเราใช่ไม่ค่อยเป็นสำสอนกันไปใช้ชื้อชื้าย เิดความสุขเิดความทุกเกิดควมามรักความชังความโลภความโกรธความหลงความดีใจเสียใจอันเคยใช่แบบนั้นก็เลยมีรออยู่มันก็จะเห็นหมวดนี้ด้วยมันไปแล้วก็กลับมาสมัยก่อนพระเจ้าอาจจะพระจิตถาอาจจะนั่งอยู่ต้นสีมหาโพธิ์คิดถึงพิพาละขุนคิดไปก็กลับมา คิดถึงพระราชจ้ทรัพย์สินสะดึงคานคิดไปกลับมาคิดถึงสนมกำนันในคิดไปกลับมานั่นคิดถึงประสาทสามดูมาเปรียบเทียบกับจีนฮั่งอโขเนี่ยเอาย่อมคิดถึงประสาทสามดูเคาอยู่สะดวกสบายมานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ต้องคิดถึงกลับมา บางท like the ีก oh, like we ็เกิดอากาศขึ้นมาทํำท่าจะเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นไข้ก็กลัวตายมันคิดกลัวตายขึ้นมาก็มีสติรู้ขึ้นมาบางที่เห็นวูวเลื่อยมาก็อันตรายเกิด็คิดกลัวไปไม่ปลอดภัยฝนตกก็ถูกแล้วดออกก็ถูกอ้วนคิดนะอาจจะยากกว่าพวกเราเนี่ยด้วยนะ สมัยศีธษะบัมเนพนโพลยทนอยู่เนี่ยนะเราก็มีเพื่อนกันนั่งอยู่นี่ไม่ต่ำกว่าร0อยชีวิตนะมีเสียงพู ด, พดเฉียงจามีพระสูตรมาสาธยายประกโฉมีตำรามีแผนที่มันะตัวที่สุดแล้วนเนี้นะ ช่โอกาสเด็กพวกเราเท่านี้ก็เพียงพอแล้วมีเสนาสายะมีเสนาสนะสัปพยะอ้ที่วัดใช้เบบพระเจดพระพกรอาหารสัปพยะมีอาหารเช่นบุคคลและสัพพยะมีเพื่อนมีมเตรมีผู้บอกมีผู้สอนตัวเราก็มีธรรมสัพพยะมีธรรม มีอยู่ทำความหลงก็มไม่หลงมีอยู่ความทุกข์ก็ไม่ทุกข์มีอยู่ความโกรธก็มไม่โกรธมีอยู่มีธรรมสัพยา4สัพยานี่พอแล้วพร้มแล้วชีวิตเราเนะีไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรละเอียดมากไปกว่านี้ถ้าจะใช้ชีวิตเรื่องนี้เท่านี้ก็พอละ ไม่ใช่ไปใช้ชิดแบบอื่นถ้าจะใช้ชวิตเพื่อบรรลุธรรมเนี่ยเพียงพอแล้วเพียงพอจริงจริงที่ว่าประเทศไทยจสนาพุทธในวังไทยพ้าสงฆ์ในวังไทยธรรมอาท่สอ น, นในวังไทยไปพิสูจน์อริอาจารย์โนตก็ไ ป, ไปกินแล้ว <c oughs> ไปองค์เดียวหลงตาไม่ไป อาจารย์น ก, ก็เจรงแล้วไปหลายเที่ยวแล้วอาจารย์ไปสารเจ้าวันเดือนใครก็รู้ก็มีธรรมะเช็ปัญหาของประเชตชาติก็อาศัยรธรรมะแนวจะรับรังบัลศีบุรภา นับโลไม่ไหวคิวกติหลวงตาก็มีโลจากไปสารยังไม่เอามาสำนักงานอ่าก็เป็นอย่างนี้มีกิจความความใช่ได้งานที่มันใช่ได้จากม<า>นุษย์คนหนังนาในเราก็มีมีสติมีโหนพโพธิเราสร้างขึ้นมาให้มันโงกเป็นงาม วันนี้เราจะไปทาวัดเจ้าวานจังหวัดอยากจะประถมเทศสักหน่อยของผ้าเสียงบ่าผ้าสังกาถิอ่ารัดอกอ่าในจังหวัดเชียงพงขอนิยมห่มดองเหมือนเราพ้าขมนะฮะมีห่มลูกบวบแต่ว่าเราในส่วนใหญ่ ถ้าแบบที่เราห่มนี่แบบธรรมยุต์นะแบบมหานิกาต้องห่มดองอ้วาใหญ่ยืนขึ้นห้หน่อยออยอด <Okay. S 1> <laughs> <laughs>